ก็มามากมายเบเสร็จท่านบอกเอ๊ะมันไม่น่ามีโทษเลท่านศึกษาพิธ ร, รมเนี่ยเพราะจริงๆยกตัวอย่างเช่นว่าพระพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันที่เป็นคารวาสเนี่ยก็ยังมีเรือนได้มีคลองเรือนได้มีลูกได้เพระโสดาบันก็สามารถที่จะถูกต้องโพธภาได้แล้วก็บรรลุธรรมเป็นต้นได้เขา้าใจเงีเ้ยเอพิสูจนเนี่ยก็ไม่เห็นจะเป็นลายเลยถ้าจะถูกต้องกรรมคุณเป็นต้นนะ่ะ ถ้ า, าก็จะไปถูกต้องการหญิงเป็นต้นหรือว่าจะต้องมีการสัมผัสที่นิ่มๆเป็นต้นเหล่านี้ผิดเลยเห็นไหมเนี่ยเพราะไปเข้าใจเอกคำว่ามหาภูทะลุมันไม่มีอะไรหรอกก็คือดินน้าไปลมหรือปรมัตร์นั่นแหละอย่างเงี้ยผิดพลาดเนี่ยก็เลยไปเทียบเคียงเอามิจฉาทิฏฐิของตนเองไปเทียบเคียงกับสัรพยุติยานของพระบรมศาสดาเป็นคนละเรื่องเก็ย อ, อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสพระธรรมด้วยสัรพยุติยานแต่ตนเองคิดด้วยมิจฉาทิฏฐิ ไอ้ความคิดที่เป็นมิฉาทิฏฐิก็คิดแบบหยาบหยบคิดแบบง่ายๆคิดแบบไม่นั่นนี่ไม่ได้คิดธรรมดาอาไม่ได้คิดแบบธรรมดาคิดมากตรึกมากไข้ครวนมากจนถอนความคิดไม่ได้เอางี้อ า, าลาดาบทกาลทธิวินดาบทเนอะขอไปกาลทิวินดาบ ท, า ท, าบทถามว่าท่านท่านรู้ว่าท่านไม่ทันพุทยาวใช่ไหม ท่านร้องไห้าใช่ไหมแล้วท่านดีใจที่เห็นพุทธิย่าเห็นพระวิหารใช่ไหมที่เราศึกษากันมาเนี่ยแล้วทําไมไม่ทําให้ชานเสื่อมเขา้าใจยังเพราะมันออกไม่ได้เหมือนคนบางคนเนี่ยไม่ชอบฐานะที่ตนเองเป็นเลยนะไอ้ความคิดแบบเนี้ยไม่ชอบอยู่แค่ขณะสองขณนะน่ะเข้าก็ไปเพลินกับไอ้ความคิดแบบนั้นเนี่ยคนบางคนเนี่ยไปตอก หรือไปฝังตอมิจฉาทิฏฐิลงสู่กระแสใจแล้วอมาเคยรู้จักกับคนหลายคนเน่ยขอขอภยนะัยเนียว่ามีมีลูกศิษย์ที่เขาเขาเป็นผู้ชายแต่ว่าใจเขาเป็นผู้หญิงขอขอภัยเนะ่ยไม่ใช่ยกมาเปลี่ยนแกบางทีนั่งร้องไห้มาฟังแกบอกเขาไม่อยากเป็นเลยที่เขาคิดได้กันขณะแต่ต่อมาเขาก็ไปเพลินในในกา ร, รมคุณล เขาออกไม่ได้เขาใจยังให้มิจฉาทิถีก็ทํานองเดียวกันนี่แหละคือเขาเห็นโทษแต่เห็นบางขนาันหนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันออกไม่ได้แล้วมันถลําไปแล้วกรณีอริ tha พิขุนี้เหมือนกันพอไปวิ่งยฉอย่างนั้นไปขัดแย้งกัสบสภัญยุตยานของพระเจ้าแล้วพรอพระเจ้าก็เรียกมาถามบอกโมค้าบรุษใช่ไหมเธอทําไมเห็นอย่างนั้นก็ไล่ไปตามลา ด, ำดำับ พอไล่ไปตามลําดับเบสเสร็จเนี่ยอริ tha พิคุก็เลยมาคิดบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกพระอุปเสนนะวังคันตบุตรก็ถูกพระเจ้าเรียกโมฆะบุรุษแต่ต่อมาท่านทําความเพียรในสุดท่านได้บรรลุได้พิญญาหกด้วยเราก็จะทําความเพียรอย่างพระอุปเสนนะดูสิเนะี่ยมันคิดเลยไปไงียแล้วไม่ยอมถอนไม่ถอนทิฏฐิแต่คิดว่าตนเองจะบรรลุได้อ่พะพุทธจ้าก็บอกว่าโมฆะบุรุษ เธอจะไม่งอกเงยในพระธรรมวินัยนี้แล้วก็ถามบอกว่าปริมาณของปัญญาของเธอเนี่ยมันมีปริมาณน้อยนิดเดียวน่ะถ้าหาอุปมาก็คือว่าไฟเนี่ยนะมันไหมกองหญ้านั้นหมดแล้วแล้วมันเหลือเชื้อไฟอยู่เล็กนิดเดียวอะแล้วมันจะทําให้ไฟนั้นอะมันลกโพองขึ้นมาให้ กว้างใหญ่โตเน่ได้ไหมโดยปริมาณก็คือว่าปัญญาของเธอที่เกิดมายกตัวอย่างนะว่าฟังธรรมปัญญาเกิดสิบเอร์ซตมิจฉาทิฐิเกิดเก้าสบเซามันเป็นไปได้ไหมมันจะทำวิปัสสนาญาณสูงสู ง, งกาวคือ นามรูปปริเฉทญาณปัจจะยปริกขหายานสมัมมาสนญญาณอุทยะพยาญาณไปจนถึงมรคญาณพลายญาณเธอจะประชุมญาณเบื้องสูงให้ลงสู่กระแสขันของเธอได้หรือไม่ได้ถามพระองค์อื่นพระบอกไม่มีทางไม่มีโอกาสเลยท่านก็มาคิดยังไงรูร้ไหมไม่ยอมถอนอีกถอนไม่ได้อีกท่านก็คิดว่าโอ้พรุทธเจ้าไม่ได้สามารถจะโปรดกับคนที่จะเป็นที่เป็นเกี่ยวกับมีเป็นพระผ้า บ, บุคคลที่มีอุปนิสัยบรรลุอย่างเดียว แม้เราออกไปเป็นฆราวาสเราก็ยังสามารถที่จะเจริญกุศลไปสวรรค์ก็ได้เดี๋ยว ด, ดูวิธีคิดสิมันมันพุ่งออกไปข้างนอกอยู่แหละคนบางคนว่าอีกอย่างก็หลบไป อ, อีกอย่างว่าอย่างก็หลบไปอีกอย่างเคยเจอไหมคนเป็นเนี้ยก็คิดว่าตนเองถูกอยู่นั่นแหละไม่ถอนพระเจ้าก็เลยบอกว่าหันไม่ไม่ใส่ใจเลยขับออกจากหมู่ให้สงข์ขับออกจากหมูหออม่แล้วพระองค์ก็เอาส่วนใหญ่ไว้แล้วก็บอกว่า เธอจะปรากฏเองก็ไม่เข้าใจนะว่าจะปรากฏนะี่คืออะไรก็แปลว่าเธอด้วยกรรมที่เธอทํานั้นนะ่ะมันเป็นตาลด้วยแล้วแล้วเป็นไม้เหลืองที่หลุดจะคั่วซะแล้วเป็นแบบใบหรือไม้เหลืองที่หลุดจะคั่วแล้วเธอจักไม่เธอจะปรากฏว่าเธอเนี่ยจักปรากฏในอบายทุกติวิิบาติในโลกแล้วเธอจักเป็นตอของวัตตะไปเจอแล้ว ถ้าใหญ่ยังนี่ไงเรียนทำไหมฟังทำใช่ไหมศึกษาพระธรรมใช่ไหมนี่ทำไมผิดไปงั้นได้ท่านถึงบอกถ้าเรียนธรรมะผิดเนี่ยนอนหลับดีกว่าไปดูในอัตถกถาในมัชฌิมานิกายไปดูเล่มที่ 18, สิบแปดฉบับมังกุ่นมัชฌิมานิกายมูลบาาันนาไปดูไปแปลดูถ้าเรียนผิดๆเนี่ยนอนหลับสบายๆนี่เนี่ยอย่าเพิ่งไปเรียนอย่าเพิ่งไปประพฤติปฏิบัติเนี่ย เรียนให้มันถูกตั้งจิตให้มันเป็นเข้าใจอยังอันนี้ไม่ใช่พูดเพื่อไม่ต้องการให้มาฟังทำนะแต่หมายความว่าตั้งจิตในการฟังให้ถูกอย่าไปตั้งมิจฉาทิฏฐิไว้ในการฟังเพราะมันเป็นอันตรายแก่ตัวเองแล้วไม่เป็นอันตรายคนอื่นหรอกพอตนเองเป็นอันตรายแล้วมันไปทำให้คนอื่นเป็นอันตรายด้วยไหมเอางี้บุญะเพสเนี่ยไปพันต้นไม้อื่นต้นไม้อื่นขมด้วยมั้ยเนี่ยตรงนี้แหละมันเป็นโทษ ใครอยู่ใกล้ก็พอเยอะแล้วมันง่ายจะตายมิจฉาทิฏฐิเวลาจะสอนกันนะสอนง่ายสอนสมาธิ ท, ที่ยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรานั้นมาจากความเห็นที่ไม่ตรงถ้าเรามาสอนเรื่องตรงเนี่ยเปนเรื่องประหลาดเลยแต่ถ้ามาสอนเรื่องผิดๆเนี่ยง่ายมากลองให้อาตมาพูดเรื่องสเปย์ละดิสมัยก่อนลองพูดสเปย์ละสนุกสนานทั้งวันแต่มันได้อะไรใช่ไหมก็พากันเข้าลกเข้าผมัมนไม่หมองเนี่ยตรงเนี้ยก ก, ก็็ก็ไปพิจารณา มันเป็นโทษจริงๆตรงนี้ก็ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเวลามีเรามีมิจฉาทิฏฐิแต่อย่าให้มิจฉาทิฏฐิมันแก่ตัดตอนมันบ่อยๆใช้วัสนาญาณมาตัดตอนบ่อยๆใช้คําสอนพุทธิยานี่นะฟังแล้วตัดตอนนะแต่ดีนะที่ผ่านมาเนี่ยนับว่าบุญเราตัดตอนได้นะเราไม่ให้มันแก่กล้ามากว่านี้ แต่ว่าเราจะรักษาสถานภาพนี้ได้ ไ, ดไปได้ไกลขนาดไหนในสัสารวัติที่ยาวเกิยถ้าเกิดไอตัวลิ่มมิจฉาทิถิมันลึกลงเรื่อดมันลึกลงเรื่อดแล้วถอนไม่ได้ขึ้นพุทธยานก็แก้ไขไม่ได้จะทํำยัำยงไงตรงนั้นแหละต้องไปคิดต้องไปไข่ครัวนี่จงหนักเนาะอย่าตอกลิ่มในใจในกระแสขันธทา่าอรยธรรมของตนเองเพราะว่าในที่สุดจริงๆกลายเป็นเราเบียดเบียนตนเองโดยไม่รู้ตัวเนาะตรงนี้ก็ต้อ ง, ต, องต้องมนุษย์การให้ชัด ตรงนี้ก็คือว่าพุทธโทก็คือพระ อ, องค์เป็นผู้ตัดสุนแล้วเต็มที่เป็นผู้ที่ตื่นอยู่จากการหลับถามว่ากิเลสนี่ชื่อว่าหลับใช่ไหมราคาโทษาโมหามานธะิทิวิจิชฌาหิรดการโนตบาวและอุทจจะที่เกิดในใจของสัตว์ทั้งหลายอยู่ในขณะนั้นสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้หลับเอาตอนนี้ราคาโทษาโมหะยังประชุมในใจเราอยู่ แต่ว่าบางครั้งเราก็ขจัดออกได้เนาะฉะนั้นเวลาใดกิเลสเกิดในใจเวลานั้นชื่อว่าหลับโอ้น่าคิดเหลือเกินก็พยายามก็บอกว่าให้ถ้าพุโทโธก็คือตื่นจากการหลับพระกวาพระ อ, องค์เป็นผู้จําแนกธรรมนะมีส่วนแห่งบารมีธรรมมันเป็นธรรมมันโดยประการใดที่กล่าวพุทธเจ้ามีส่วนแห่งทานบารมีเป็นต้นเหล่านี้นะ พระเดชานุภาพของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้านี้จักรรัตนาจึงหวั่นไหวอันเป็นอันตรายอันหนึ่งอันใดก็หาไม่ได้ตังสตวาราชาสมเด็จพระเจ้าสาคระบรมจักรพรรดิราชโพธิสัตว์นั้นได้ทรงสดับคำเนมิตกะกามาหมาดฟังทั้งหลายกราบทูลบรรยายโดยอเนกประการชนีแล้วก็มีกำมลยินดีนะบอกว่าตื้นตันเต็มไปด้วยปีติสมนะัเออพระโพธิสัตว์ในเวลาเวลาท่านใด ยินคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแลว้วเบ็ดเสร็จเนี่ยใจท่านตื่นเต้นมากนะปราโมดเกิดปีติเกิดอนะไรเนี่ยปัสสติเกิดลำดับนั้นก็จึงให้นายเนมิตกาอาจารย์เนผู้หนึ่งเนะี่ยเป็นหัวอาจารย์ผู้ฉลาดกระทาผ้าสบายเฉียงข้างซ้ายแล้วก็ปนมถวายนะมัสการเบญจางคปรดิด ต, ตั้งประพักเฉพาะนั่นแหละอุทยานนั่นะมีคาจีนอุทยานแล้วก็กล่าวคาประกาศ พุทธคุณบอกว่าข้าแต่พระมหารพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นบรมไตโรคกนาฏบรมไตยโรคกนาฏก็คือเป็นผู้นำแห่งโลกสามไม่มีผู้ใดจะ ย, ยิ่งกว่าเป็นภา ร, ริยะผู้แสดงคุณอันประเสรศิฐเป็นบรมครูตัตรู้ญายธรรมทั้งปวงคือสังขารวิการและขณะนิพพานวัญหยัดเนี่ยคือตัตรูอริยสัจธรรมทั้งสีนั่นเองเป็นผู้จําแนกธรรมกาวคือมรรคผลนิพพานปรากฏในานามว่าพระศรีสัคยมุนีเสด็จมา อาศัยกุงทันยาวดีประทับอยู่ในมิคาจีนอุทยานนี้ท่านก็ถวายบังคมได้เบญจางครับพอดีเราเช้าเย็นเนี่ยเรากราบนอบน้อมพรธเทียรทุกวันไหมวันละหลายหลายรอบไหมวันละกี่รอบในใจให้นอบน้อมตลอดทั้งวันได้ไหมไปที่ไหนก็จกนอบน้อมพระเจ้าเนาะนั่นแหละนอบน้อมเราไม่ต้องไปแบ่งเป็นเวลานะ แต่ไปแบ่งเป็นเวลาแล้วเวลานี่ทำวัดเวลานี่ไม่ทาวัดมันเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลานี้เฝ้าพระเจ้าไม่ทําบาปและออกจากการเฝ้าพระเจ้าแล้วก็บาปได้บ้างเนี่ยกคาเป็นไหมเราเราน้อมน้อมได้ให้เป็นไปในในความคิดอยู่ให้ต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมให้เป็นไปกับคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องลงทําเนี่น้อมน้อมพระพุทธเจ้าอย่างจริงจริยับจับจิตจับใจไว้เลยนะถ้าเราตั้งมั่นอย่างนั้นเน่ยป่านนี้เราได้ดีได้ดีตั้งนานแล้ว เพราะเราไม่ได้ตั้งมั่นอย่างยาวในไกลนั่นเองใช่ไหมบางครั้งก็หลุดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมไปไปมาเนี่ยเผลอเลยไปไม่รู้เท่าไหร่ฉะนั้นตั้งตั้งความรู้สึกมาตรงนี้ก็คือว่าข้าแต่มหารพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าบรมไตรโลกนาไม่มีผู้ใดยิ่งกว่านะเป็นพระริยะเป็นต้นดังนี้ท่านบอกว่าองมาประทับอยู่ที่ที่อุทยานท่านต่างตะวา ร, ราชาว่าพระเจ้าสาครก็ได้สดับ ก็เกิดสมนัสปีติยินดียิ่งนักจักใคร่เสด็จไปถวายน้ำมัสการสักการบูชาก็มีบรมรอชโยองการบอกหันทรมยังคมิสามะบอกว่ามาเถิดเราจะพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านะเพื่ออะไรเพื่อกุศลเป็นส่วนทัศนานุตริยะเอาคำว่าทัศนานุตริยะนี่แปลว่าอะไรทัศนานุตริยะแปลว่าอะไรการเห็นที่ยอดเยี่ยมยังมะการเห็นที่ยอดเยี่ยมคือการเห็นอะไร เหนพระพุทธเจ้าไปต้นเนี่ยนะถามว่าทําไมจึงเรียกว่าเห็นที่ยอดเยี่ยมเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยในในปัจจุบันนะพบเนี่ยไม่มีกิจกรรมในการโฆษณาเพื่อจะไปไปเห็นไปดูพทะเจ้ากันเนาะมีกิจกรรมอื่นหมดแล้วถามว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะ่ยเคยมีการบอกว่าเอ้าปีนี้จะจัดทัศนานุตริยะสวนานุตริยะคือการเห็นที่ยอดเยี่ยมการฟังที่ยอดเยี่ยมเคยมเคยได้เ จ, เจอไหมเรื่องลาพานุตริยะเป็นต้นอะไร ไม่มีเลยใช่ไหมต้องไปดูที่เนี่ยคนที่ถ้่เรามองไปจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าเงี้ยงไงวขอไฟนะอาจจะไปพลาดทิงหน่อยว่าพูดพูดไปเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อให้เห็นภาพแค่นั้นเองว่าว่าเราไม่ได้จัดกันแบบนี้เพราะจริงๆแล้วการเห็นสิ่งอื่นเนี่ยเช่นไปเห็นไปดูปลาก็ดีไปดูทะเลก็ดีไปดูบูกเขาใช่ไหมหรือไปดูอวกาศไปดูสถานที่ต่างๆ หรือไปดูอาบายาศัตร์ทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปดูแล้วมันจะประสบชาติทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดชราทุกข์ทุกข์เพราะความแก่พยาธิทุกข์ทุกข์เพราะความเจ็บมรณะทุกข์ก็คือเออทุกข์เพราะความมรณะทุกข์ทุกข์เพราะความตายที่เป็นไปเพราะความโศกความลำลารลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจนั่นเปเรียกกันไปดูทําไมใช่ไหมใช่ไปดูแล้วเพื่อให้ศัตว์นั้นจมอยู่ในวัตฏะเป็นการดูที่ไม่เบิกเบิกเลยเหร แต่ถ้าใครไปดูพระทเจ้าตาไปเห็นพระุทเจ้าเนี่ยเป็นทัศนานูตาลิยะเนีขนาดนกเขาแมวเนี่ยใช่ไหมไอ้นกคูกเนี่ยตาตโตโตเนี่ยเเพ่งมองพระรูปของพระทเจ้าด้วยปีติด้วยศรัทธาอัธยาศัยที่มองที่เปี่ยมด้วยปีติเนี่ยจะได้ตัศโลเป็นพระปัะเจกของพระเจ้ามีนามว่าโสมนัสเนี่ยเราทำไมไม่ไม่ชวนกันอย่มะไปดูสิดูพระเจ้าดูพระรูปของพระเจ้าเราตั้งสัตทินซีเว่ถูก แล้วในสุจริงๆจะเป็นปัจจัยการแทงตลอดอริยศาสตร์เป็นต้นไดน้นี่เขาเรียกว่าดูแล้วจะพ้นจากชาติทุกข์เป็นต้นได้แช่ไม่ใช่นี่ไงเป็นทัศนานุตริยะฉะนั้นถ้ารู้ว่าพระธรรมของพระบรมศาสดาอุบัติเกิดขึ้นนะตรงไหนไปหน้าที่ตรงไหนจะเป็นปัจจัยการทําให้เราเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระเจ้าจริงๆไปเหอะที่ตรงนั้นน่ะนั่นแหะเป็นสวสนานุตริยะใช่ไหมแล้วเป็นลาบันยิ่งด้วย ถ้าเราจะสามารถประชุมขันกระแสของศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่กระแสขันเป็นต้นได้จะได้เป็นลาบันยิ่งเป็นลาภานุตริยาเป็นต้นได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แล้วการเรียนอะไรแล้วที่จะเป็นบุญที่สุดก็คือการเรียนพระไตรปิโกคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุญที่สุดแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นลาบันประเสริฐแล้วเพราะเรียนไปเพื่ออะไรเพื่อพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีวิชาไหนในโลกนะที่เรียนแล้วพ้นจากทุกขมีชาติทุกเป็นต้นมีไหมล่ะไม่มีหรอก เป็นนั่งเรียนอยู่ไหมปัจจัยต่างๆเป็นไปเพื่อชาติทุก์เป็นไปเพื่อเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปเพื่อวิบัติพัดพลากเป็นไปเพื่อความโศกนี่เราก็อัดอ่านอัถะไม่ออกใช่ไหมงานการที่เราทําทํากันไปเนี่ยเป็นไปเพื่อความโศกนะเป็นไปเพื่อความลำลายลำพันธ์นะเพื่อความไม่สบายกายเพื่อความไม่สบายใจเพื่อความคับแค้นใจนะ้าเราเรียนไปทําไมอ่ะแต่เราต้องทํางานเราต้องเรียนวิชานั้นเพราะมันจะต้องประกอบอาชีพเพื่อความเป็นอยู่ใช่ไหม แต่ไม่ใช่ทุ่มทั้งชีวิตไอ้ตรงเนี้ยแต่วิชาที่ควรทุ่มทั้งชีวิตนะมันคือวิชาที่ออกจากชาติทุก์ชีวิตที่มีอยู่ทั้งหมดเนะี่ยควรจะทุ่มทั้งหมดใช่ไหมไม่ใช่แบ่งห้าเปอร์เซนตกับพระเจ้าเก้าสิเปอร์ซนต์ไปกับทางโลกนี่เสียเลยเขาย้าใจยังมันก็เลยเสียเลยตอนเนี้ยเหมือนกับการที่เราจะอยู่ในโลกใบนี้ทั้งห้าร้อยล้านปีบางคนเนะ่ยเตรียมแผนการไว้ขนาดนั้นมัน ไม่ไม่เหมาะเข้าใจยังงั้นเราต้องเราต้องแบ่งแบ่งภาคชีวิตมันเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเรากลับมาเกิดในพบนี้เราเราเสียหายเนี่ยเอางี้ถ้าพบต่อไปจะมาเป็นมนุษย์ามาถามนะว่ายอมจะไปปฏิสตินทีในท้องใครอ้จะไปปฏิสตินทีในท้องใครแล้วเราเล็งได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหม ตรงนี้ก็ต้องคิดให้ถูกถ้าศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคําสอนพระเจ้าจะจัดสรรวิธีคิดแล้วในสุวนจริงจะวางวัตถหมายชีวิตได้ที่เนี่ยที่ถ้าว่าอายุผ่านมาตั้งห้าสิบหกสิบขวบแล้วยังยังจัดสรรชีวิตไม่ได้ต้องรีบเร่งแล้วใช่ไหมต้องรีบเร่งแล้วโมเอบอกว่ายังยังเดินทางสองแพ่งอยู่เลยเนี่ยอันนี้ก็ยังก็ยี้ไม่ชัดแล้วนี่เดินได้ชัดเสียให้ให้แน่ใจใช่ไหมก็ ถ้ายังหม้บอกเราจะเอาจริงเอาจังกับการศึกษาฟังคำสอนประพฤติปฏิบัติก็หรือจมะมาไข้ควรอย่างยกตัวยอย่างเช่นว่ า, าถ้าตรึกทั้งวันเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วก็ให้ให้หายใจใหายคอบางทีท่าน <c oughs> เอแปลกจริงๆนะซกยกตัวยอย่างเช่นว่ า, าจะจะเป็นไปกับพระธรรมคำสอนเนี่ยแต่ถ้าโลภโทสะ โ, โลภโทสะโลภโทสะนี่สัตว์โลกอยู่ได้ทั้งวันนะ แต่ถ้าจะออกจากโลภะโทสะมาอยู่กับกุศลบอกโอ้โหเป็นทุกข์อือแปลกไหมทั้งๆที่กุศลน่ะมีความสูงมากกว่าอากุศลแต่าศาสตร์ก็ไม่ไม่น้อมออกจากอากุศลติดแน่นในกรรมคุณแล้วเหนียวแน่นกับกรรมคุณเนี่ยติดแน่นกับตัวกิเลสกรรมและวัตถุกรรมแล้วก็แกะไม่ออกแปลกจริงๆแกะไม่ออกประลาดแท้ทั้งๆที่ฟังตรงนี้ได้เหตุผลพอสมควรนี่นะพอเสียงพระธรรมเงียบปุ๊บ โอ้ยไม่รู้เรื่องอะไรมาเต็มไปหมดแล้วเดีเนี้ยเนี่ยมานั่งฟังทำนี่เราปิดโทรศัพท์กันบางคนใช่ไหมอย่าเปิดนะเนี่ยถ้าเปิดเี่กรรมะคุณอย่าเรียกหาทันทีอ่ะโอ้โหน่ากลวงยิงขนาดมาอยู่แบบนี้แล้วเนะี่ยขนาดบางทีมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าหากว่าในสมัยข้ามพุทธกาลจํานางมารีกาได้ไหมภรรยาของพันดุละเสียนาวดีที่ว่าคนใช้มะกะซิบบอกว่าบอกว่า สามีตายแล้วแล้วก็ลูกก็ตายหมดแล้วถ้ามีใครมากระซิบบอกเราไม่ต้องถึงตายหรอก็บอกอยู่ห้อง icu แล้วสมมจะทำไงเนี่ยรีบเลยจะไหมนี่เราจะได้รู้ว่าโอ้คนละเรื่องเลยใจเขากับใจเราคนละเรื่องเลยใจของคนที่เขา จ, า จ, าขาจะพ้นจาก ความทุกข์เนี่ยกระจายกับคนที่จะต้องเกลือกล้วความทุกข์มันคนละมุมกันเลยมันจะได้วางถูกแล้วแล้วในขณะที่เขาศึกษาคําสอนเนี่ยเขาไม่เคยภาคจิตไปในข้างอื่นเนี่ยเอาเคยเป็นไหมจิตละน้อมที่จะเป็นไปกับคําสอนตลอดเลยฟังแล้วไม่ไม่เคยคิดเรื่องอื่นเลยอย่างเราเนี่บางทีอยากจะอธิบายเคยสังเกตไหมบางทีฟังเข้าใจก็อยากจะอธิบายให้เพื่อนข้างๆฟังมันตเตลิดไปหมดเลยที่จริงเขาให้ขัดเกลาตัวเองให้น้อมขัดเกลาตนเองนะ ขัดเก้าวิธีคิดว่าจะขัดเก่ายังไงจะเข้าถึงยังไงบางทีเราแปลกสมัยก่อนเนี่ยเอามาเรียนแบบแบบหลายๆท่านเรียนเอามาเรียนเรียนอุ้ยเข้าใจอลไรเดี๋ยวต้องไปบอกคนอื่นอุ้ยเข้าใจอะไรเดี๋ยวมาบอกเลยเอามาตะเลิดอย่างเงี้ยเอามากำนังดื้อไม่ใช่ไม่ใช่ขัดเก้าตัวเองนี่แบบเนี้ยมคิดถึงลูกเออเอ่อขออภัยเอามามีลูกหมายถึงจะอธิบายคิดถึงคนอื่นเป็นต้นแบบพวกโลกนี่ก่อน้เดี๋ยวเอาอามามีลูก มาบวชเล็กแน้อยทีนี้พออย่างเราท่านทั้งหลายเราก็คิดถึงโลกคิดถึงสามีบ้างคิดถึงคนอื่นบ้างอยากให้เขามาฟังอยูร่รัเหมือนอะไรเหมือนพร ะ, พระเจ้าช า, าติสโตพอพระพุทธเจ้าพอเห็นสาวกของพระพุทธเจ้าเงียบสงบไม่มีเสียงคุยเลยพระเรือนพันนั่ ง, งเสียงไก่แอมก็ไม่มีนึกนูน้นอุทานถึงโกูกนู้น โอ้ยอยากให้ลูกตนเองที่สนสนเงียบสงบเวลาพระเจ้าให้พรงินขอให้ลูกตนเองเนี่ยมีความสุขใจมันน้องไปออกพมะพรเจ้าบอกดูก่อนมหาบอพิษบอกว่าบอกว่าตัวของมหาบอพิษเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่กับลูกซะแล้วเหมือนเราท่านทั้งหลายใช่ไหมถามว่าเราท่านทั้งหลายใจอยู่ตรงนี้ ต, ตัวอยู่ตรงนี้ตอนนี้ใจไปอยู่ไหนแล้ว ต้องอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะชัดเจนนะตรงนี้ก็คือว่าเพื่อกุศลเป็นทัศนานุตริยะแล้วก็ทรงจัดแจงปฏิบโทูเทียนมาลัยเป็นต้นยังชนให้ถือเอาไปแล้วก็เสด็จถึงด้วยนะด้วยจตุรงคิกะเสนาบรมจกักรพรรดิมีสเสวกา ม, มาตรราชบริษัทเป็นปริมณฑล12โยต์ขนาดนาพระเจ้าจากักรพรรดิเนะี่ยไปแบบนี้ ก็คือจะไปฟังทำนาทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือตั้งกระบวนกาสิบสองยอดความยาวอ่ะยอดละสิบหกกิโลเมตรเนี่ยเนี่ยถ้าหากว่าระดับผู้หลักผู้ใหญ่มาฟังทำสักคนหนึ่งเนี๋ยคนอื่นพลอยได้ฟังไปด้วยเข้าใจใไหมแม่เสดย์นะถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาฟังทำเนี่คนอื่นก็จะเข้าถึงทำนี่เขาถึงบอกว่าผู้นําเนี่ยสําคัญมากถ้าหัวหน้าครอบครัวมาฟังทำสักคนเดี๋ยวนักเข้านักเข้าก็นักเข้ า, นขาคนอื่นก็จะมา ใช่ไหมแต่สําคัญท่านในบ้านที่พ่อบ้านไม่ค่อยได้เป็นผู้นำมาแม่บ้านเป็นผู้นำต้อเอาแม่บ้านมาด้วยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกๆ ก, ก็จะตามมาอยงี้ก็เรีผู้นํานี่ก็เหมือนกันน ะ, สะเสด็จมายังภายในมิคาจินอุทยานทรงทัศนาการเห็นพระตาคตเจ้าอันสถิตเหนือวาวรบรรลังพุทธอาจงามด้วยทวัดติงสรมหาปุริสครัคลาแล้วก็สีตะยานุพยัญชนะสับนี้ท่านรวมกันนะเป็นภาษาโบราณเนี่ยนะ ท่านรวมกันว่าอนุพยัญชนะมหาบุริสลักขณะ32ประการแล้วก็อนุพยัญชนะ80ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวไปถึงในช่วงของการที่ศึกษาตอนที่ได้เป็นเนิยตาโพธิสัตว์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาสิ่งต่างๆนี้มาวิจัยเท่าที่จะ เ, เวลาที่จะอำนวยนะเกี่ยวในเรื่องของมหาบุริสลักขณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80แล้วก็มงคลร้อในรอยฝ่าพระบาทของพระเจ้า เอามาวิจัยอัฏฐะแต่อาจจะไม่ครบเพราะเวลาเหลือน้อยเหลืออีกสองครั้งหรือไงสาครั้งเนี่ยนะอาจจะพยายามจะเดินให้ถึงตรงนั้นแล้วก็จะวิจัยบ้างพราะเป็นประเด็นและวถ้ามีโอกาสนะที่ไหนก็จะวิจัยแล้วก็จะให้เข้าเทปหรือว่าซีดีออกมาให้ท่านทั้งหลายได้ได้ฟังนะตรงนั้นนะนะตรงนั้นก็คือว่าเมื่อถวายพิวา่าด้วยเบญจางคประดิษ์ศพพระเสียนกล้าวลงแทบพระบาทมูลนะของพระบวรพุทธบาท อันภัยจิตด้วยจักรลักษณะจักรลักษณะก็คือว่าในพระบาทของพระเจ้าเนี่ยมีมีกงจักรอยู่แล้วก็มีรูปมงคลร้อนนยแปดนะอยู่ในในพ ร, พระบาทของพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาหลายหลายคนวันนั่นไปก็ดูเท้าตัเนเองก็ไม่มีสักลอยเลยเนี่ยนะพอศึกษาหาลอยยังไม่เจอเทั้งคู่เนี่ยแล้วก็ทรง สมเด็จพระศรีสากยามุนีโลกนาถเจ้าแล้วก็พระองค์ก็ทรงโถมมานาการพุทธศิละอันงามหาที่เปรียบไม่ได้จึงตรัสประพันธ์พระาบอกว่าสุทิทังวะตะัตเมดีทังปัสสิตาพันจาปสัสสิตังปัสสิตังสาบาลังชีเวตังไม่หังอย่างปัสสามีตถาคาตาบอกว่า ความเห็นของเราคราวนี้ควรนับว่าเป็นความเห็นอย่างเยี่ยมอย่างดียิ่งการระบายหายใจกลับของเราในคราวนี้ควรนับได้ว่าเป็นการระบายหายใจคล่องไม่ติดขัดบอกโอ้โหแต่ก่อนในผ่านมาเนี่ยประเภทว่าไม่เคยเห็นอะไรที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้เลยนั้นอุไลเห็นเนี่ยสแสดงอะไรรู้ไหม ท่านเห็นแล้วไม่ใช่เห็นด้วยจักสุคือยานด้วยตาเปล่าอย่างเดียวเนี่ยปัญญายานของท่านเนี่ยเห็นด้วยท่านเห็นมหาปุาริสละขนาดสาประการเห็นอนุพยัญชนะแ0สบแล้วเห็นจักกมงคล ใ, ในฝ่าพระบาทแล้วเห็นรูปมงคลร้อยแปในฝ่าพระบาทของพระบรมศาสาดาเนี่ยท่านบอกไม่มีการเห็นอะไรที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้แล้ว ถ้าอย่างเราก็โอ้โหสวยจริงโอ้โหงามจริงได้แค่นี้ใช่ไหมแต่ท่านเห็นอะไรรู้ไหมกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในใจ ท, นท่านดันดีพุทธคุณเกิดขึ้นมาโอ้ท่านคนเนี้ยบำเพ็ญกรรมมาขนาดไหนอย่างไรเจริญกุศลมาอย่างนี้จึงได้กรรมไ ด, ได้ได้ลักษณะเช่นนี้เป็นต้นเห็นไหมท่านเห็นอย่างนี้เป็นการเห็นที่ยอดเหมือนเราดูพระรูปของพระเจ้าที่เขาปั้นไว้เพื่อให้เราเลเล็งถึงคุณของพระเจ้าได้เนี่ยพอพอดูปุ๊บเนี่ยบางท่านเนี่ย ท่านศึกษามาดีนี่นะก็ฟุบปรากฏในใจแล้วมหาปุริสละขณะก็เกิดขึ้นในใจอนุพยัญชนะแปดสบก็เกิดขึ้นจากการมองผ่านพระรูปเนี่ยที่ผ่านผู้ปั้นผู้ประดิษฐ์มาเนี่ยนะด้วยจิตบัญจงเนี่ยก็น้อมบูชาพระรูปของพระพุทธเจ้าแล้วพุทธคุณของพระพุทธเจ้าผ่านรู ป, ปรกายได้ถามว่าตรงนี้ยังไงคือคนที่เขามีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วชัดเจนแล้วท่านบอกว่า ไม่ใช่เป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมอย่างเดียวเท่านั้นแปลว่าปัญญายานของท่านเกิดขึ้นสมาทิฏิเกิดขึ้นเป็นไปตามโดยเฉพาะการรมสกทาสมาทิทฐิเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วท่านก็บอกว่าในการระบายหายใจกลับของเราคราวนี้หายใจกลับแปลว่าอะไรหายใจออกแล้วก็หายใจกลับนะีแสดงว่าแต่ก่อนหายใจแล้วไม่ไม่สะดวกใช่ไหมคําว่าหายใจไม่โลง่งคาว่าไม่โล่งกบแล้ว การหายใจที่ไม่เป็นไปกับจิตที่เป็นไปกับสัตทินเสียเขาเรียกหายใจไม่สะดวกคนบางคนเนี่ยถ้าเราดูให้สังเกตด้วยนะว่าเราศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่เราก็ยังไม่มียังไม่สามารถที่จะรู้อุบายวิธีในการที่จะทำศีลสมาธิปัญญาให้ประชุมลงสู่กระแสะใจได้เนี่ยหรือมันยังติดๆขัดๆแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเอามาถามโยม ว่าว่าใช่ไหมแ็บอกว่ามั่นใจมากตอนนี้ก็กมั่นใจแมมากกมั่นใจยังไงก็บอกว่ า, า, รวาเริ่มเดินกุศลได้คล่องขึ้นเออทั้ทงนียใช่คือกุศลเนี่ยสามารถประชุมสู่ในใจได้คล่องเขาเยกคนหายใจคล่องหายใจกลับคล่องแล้วเพราะว่าไม่เป็นไปกับบาปในอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาสู่คลองทางทวารตาหัวใจหมุนลิ้นไก่ใจ เอาบางคนยังติดขัดหมดเลยนะเช่นเอาทางทวะในในเห็นปุ๊บก็ติดขดัดเช่นเห็นเอเห็นคนทําบาปบ้างเห็นคนทําบุญยังมะก็ไปเกิดโสมนานัสกับคนทําดีเป็นโลภะเกิดโทมนัสกับคนทําบาปก็คือโทสะพอได้ยินเสียงก็ไปเกิดยินดีเกินั่นก็เกิดไปโทสะมันหายใจคล่องไหมเนี่ยไม่คล่องเลยนะเนี่ยหายแกกลับไม่คล่องหรอกหรือกินอาหารกับทั้งโลภะโทสะโมหะ สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งกับทั้งโลผ้าทรสามโมหะนอนคิดนึกจะหลับอาอากาศบรรยากาศอย่างนี้ก็เป็นไปกับโลภ้าทรสามโมหะเขาเรียกมันระบายหายใจกลับมันไม่คล่องแต่พอไปเห็นพระรพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยโล่งหมดเลยความอึดอัดขัดเคืองในใจเนี่ยหายเกลี้ยงเลยเนี่ยเอาใครเคยฟังพระธรรมแล้วเคยเป็นอย่างนั้นตะครั้งไหมพอฟังเบสเสร็จแล้วเม้นรู้สึกว่าเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเลย เคยเป็นไหมล่ะถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าอการระบายหายใจกลับของเราในครั้งเนี้หายใจคล่องแล้วแล้วมีแนวทางแล้วมั่นใจแล้วว่าตนเองเนี่ยจากในทํานองบอกว่ากว่าจะได้เจอพระเจ้านะพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยนานนักหนาแต่ละกลับนี่เนะพอได้เจอสักครั้งหนึ่งจะหายใจคล่องไหมบอกโอ้โหชื่นใจมาก ไม่ใช่ไม่มีที่เราตั้งจิตปรารถนา